ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลภายนอกพระพุทธเจ้าทรงเป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีคือทรงสอนว่าสุขทุกขของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทําความสําเร็จหรือไม่สําเร็จขึ้นอยู่กับความเพียรพระพุทธศาสนาจึงเป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีไม่ใช่ลทัทธิอ้อนวอนพระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าอ้อนวอนเอาได้ใครเล่าจะพลาดจากสิ่งที่ตนต้องการเพราะทุกคนมีสิทธิอ้อนวอนฝรังให้เกียรติพระพุทธศาสนาว่า A ออด t Yourself Religion หมายความว่าเป็นศาสนาที่ท่านต้องทำด้วยตัวท่านเองไม่ใช่อ้อนวอนเอาได้ทั้งทั้งที่พระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้มาตลอด แต่ทำไมพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยจึงนิยมลัดธีอ้อนวอนเชื่อของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นเหตุให้ตนพลาดตกไปจากพุทธศาสนาสูญเสียคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีเข้าใจว่าเป็นเพราะหนึ่งพุทธศาสนิกชนส่วนมากไม่ได้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนาไม่เกาะ อ, อยู่กับหลักจึงถูกชักจูงไปง่าย 2. มีคนมาชักจูงออกไป ก็เป็นชาวพุทธด้วยกันที่เลื่อมสายศรัทธาในลัทธิไสยศาสตร์บ้างโหราศาสตร์บ้างยิ่งกว่าพุทธศาสตร์คนเหล่านี้เป็นพระบ้างเป็นขรหัดบ้างทั้งนี้แฝงอยู่ด้วยผลประโยชน์ของผู้ชักจูงเอง 3. ขาดโยนิโส ม, มานาสิการคือความคิดอันมีเหตุผลคิดด้วยปัญญาอันแยบคายเพราะพุทธรูปนั้น เดิมทีเดียวท่านสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณแล้วถ่ายแบบดาเนินตามไปไปมาม า, มาชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่บ้างเล็กบ้างมาเป็นวัตถุขลังศักดิ์สิทธิ์สำหรับไหวอ้อนวอนขอนั่นขอนี่จากท่านทาให้พระพุทธรูปเป็นเหมือนเทวรูปของพรามไป เพียนไปจากจุดมุ่งหมายเดิมและเสียหลักของพุทธศาสนิกชนการทำบุญให้ทานของชาวพุทธซึ่งควรจะทำเพื่อพัฒนาตนเพื่อฝึกตนตามหลักที่ว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้ฝึกดังบาลีว่าอธันตะธรรมานางังทานางังกลับกลายเป็นทาเพื่อแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลทําเท่านั้นบาทได้ชนิดนี้ทาเท่านี้ได้ชนิดโน้น เรื่องบุญกลายเป็นการซื้อขายไปความสัมพันธ์ระหว่างพระกับชาวบ้านซึ่งเคยสัมพันธ์กันในระบบบุญกุศลกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ในระบบผลประโยชน์นอกจากระบบของเราซึ่งเคยดีต้องเสียไปแล้วยังทำให้ชาวพุทธเรานิสัยเสียด้วยแม้จะมีคนอ้างว่าเอาเงินไปทำสาธารณประโยชน์แต่ต้องเสียระบบและสูญเสียคุณธรรมเสียคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีไป เมื่อเทียบดูระหว่างสิ่งที่ได้ซึ่งเป็นวัตถุกับสิ่งที่เสียซึ่งเป็นคุณสมบัติอันไหนจะมีค่ากว่ากันเราได้สิ่งที่มีค่าน้อยโดยแลกกับสิ่งที่มีคุณค่ามากหรือเปล่าเรานึกถึงผลเสียในระยะยาวหรือไม่ทำลายศาสนาธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งศาสนะวัตถุลาบยศและชื่อเสียงเฉพาะตนหรือไม่มันคุ้มกันหรือไม่ คนในสังคมไทยเชื่อถือมงคลภายนอกกันมาส่วนมงคลภายในที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ถึง38ประการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติพัฒนาตนให้บรรลุถึงสัพพมิ่งมงคลจริงๆกับไม่สนใจสนใจแต่วัตถุมงคลไม่สนใจต่อธรรมมงคลซึ่งเป็นมงคลที่แท้จริงทำให้พ้นทุกข์และประสบสุขได้จริง ชาวพุทธที่ดีมีคุณสมบัติของชาวพุทธจะต้องเชื่อกรรมเชื่อมั่นในการกระทาของตนไม่หวังผลสำเร็จจากการดลบันดาลจากภายนอกหรือราบรอยไม่สวนทางกับหลักธรรมของพุทธศาสนามิฉะนั้นแล้วเราจะเหลืออะไรนอกจากเป็นพุทธแต่เพียงชื่อกันเท่านั้นตราบใดที่ชาวพุทธผู้ใดยังหอบหิวเอาความงมงาย หที่เรียกตามศัพท์พุทธศาสนาว่าศีลพตาปรามาตแล้วตราบนั้นชาวพุทธผู้นั้นย่อมไม่อาจร่วมพ้นภูมิปุถุชนก้าวเข้าสู่อริยภูมิได้ถ้าเขาบอกว่าเขายินดีเป็นปุถุชนถ้าอย่างนั้นเขาต้องยินดีทนทุกทรมานต่างๆอย่างที่ปุถุชนจะได้รับตามฐานะของปุถุชนจะต้องคร่ําครวญอะไรเลย ชีวิตปุถุชนมีปัญหามากมีทุกมากการแก้ปัญหาชีวิตอย่างงมงายไร้ปัญญานั้นเหมือนการแก้เส้นได้ที่ขอดกันเป็นปมอย่างยุ่งเหยิงในที่มืดมองไม่เห็นเงื่อนปมยากที่จะหลุดและคลี่คลายออกไปได้ได้เคยทดลองแก้สายหูฟังวิทยุซึ่งพันกันยุ่งเหยิงในที่มืดพยายามอยู่นานก็ไม่สําเร็จพอใช้แสงไฟฉายช่วยเพียงเล็กน้อยก็แก้ได้สำเร็จ ในการแก้ปัญหาชีวิตนั้นแสงสว่างคือปัญญาสำคัญที่สุดปัญญาเป็นเครื่องทำลายความงมงายความงม ง, งายเป็นความมืดปัญญาเป็นแสงสว่างเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดย่อมหายไปมนุษย์เราส่วนมากไปติดเหยื่อคือกามเหยื่อนั้นเขาเกี่ยวไว้กับเบ็ดเมื่อติดเหยื่อก็ติดเบ็ดด้วยและไปติดบ่วงคือทิดทซ้ำเข้าไปอีก เห็นผิดเป็นชอบเห็นสวนทางกับพระอริยเจ้าทั้งกามและทิฏฐิเป็นของละได้ยากและล่วงพ้นได้ยากพระพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างนั้นเช่นพระพุทธพจน์ที่ว่ากามาหิโลเกนาหิสุปหายาทิฏฐินิเวสานาหิสวาติวัตตาแปลว่ากามละได้ยากในโลกบวงคือทิฏฐิล่วงพ้นไดยาก สองอย่างดังกล่าวก็ย่ำยีมนุษย์แทบแย่อยู่แล้วมนุษย์ยังมีความงงงายซ้ําเติมเข้าอีกเขาจะรอดไปได้อย่างไรสัตว์โลกจึงระงมอยู่ด้วยเสียงคร่ําครวญโหยไห้เหมือนคนเรือแตกว่ายวนอยู่ในทะเลน้ําตาถูกน้ําคือความต้องการของตนเองทิมต่าคลั้งแล้วคลังเล่าแม่พวกเขาจะหวังความสุขก็พบแต่ความทุกข์ความระทมใจ พขาได้ก่อแต่เหตุแห่งทุกข์ไว้ปลูกต้นทุกข์ไว้พ้อชำกล้าไม้ทุกข์เอาไว้มากมายแล้วดอกผลมันจะเป็นอะไรถ้าเขาปลูกต้นสุขเอาไว้พ้อชำกล้าไม้สุขเอาไว้ดอกผลมันจะเป็นอะไรแม้พระริยะเจ้ามีพระบรมศาสดาเป็นต้นสอนอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะแต่ ผู้ถืบริษัทส่วนมากก็ยังยินดีในความยึดมั่นถือมั่นและส่งเสริมกันให้ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุบ้างในบุคคลบ้างแม้ในคนธรมธรมดาธรรมดาที่ยังละ ก, เกลิเลสอะไรไม่ได้เลยถือเอาเป็นที่พึ่งยึดเอาตัวบุคคลผู้นั้นแหละเป็นที่พึ่งไม่ได้ถือทำเป็นที่พึ่งอันจะอยู่กับตนได้ตลอดไปหลงไหลในวัตถุบ้างในบุคคลบ้างจนกลายเป็นความงมงายไป แม้แต่ธรรมซึ่งทรงสอนให้ถือเป็นที่พึ่งในเบื้องต้นนั้นก็ทรงสอนให้ละเสียในเบื้องปลายเหมือนเรือแพสำหรับอาศัยข้ามฝั่งนั่นเองพุทธบริษัทจะต้องเข้าใจหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาในเรื่องดังกล่าวนี้จึงจะเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาและรอดพ้นจากความงม ง, งายได้ยืนอยู่อย่างมั่นคงกับหลักไม่แกว่งไปแกว่งมาตามมงคลตื่นข่าว ความงม ง, งายหรือมือคนตื่นข่าวนั้นเกิดจากความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้เหตุผลไม่รู้ต้นเหตุแล้วเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งนั้นๆจะช่วยพ้นภยัยให้มีลาบให้มีสุขได้จึงชวนกันบวงสวงอ้อนวอนทำสิ่งที่ไม่มีตัวตวนขึ้นแล้วเคารพบูชาด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าจะอำนวยโชคลาบให้ตนได้ พระพุทธศาสนาแท้ๆนั้นบริสุทธิ์หมดจดแต่ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างงมงายแล้วก็เหมือนคนเอามือเพื่อนไปจับต้องของบริสุทธิ์สะอาดทําให้สิ่งนั้นพลอยเปเื้อนไปด้วยอย่างน่าเสียดายความยึดมั่นในมงคลภายนอกเป็นอุปาทานอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าศีลับปตูปาทานแปลว่ายึดมั่นในศีลและพรน หรือศีลพระตาพรามาตรรูปครามศีลและวัดคือเข้าไปเกี่ยวข้องกับศีลและวัดอย่างมงมงายไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายตัวอย่างการรักษาศีลไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งกายวาจาการประพฤติวัดเพื่อให้เขานิยมสรรเสริญเพื่อให้ได้ลาบสการะและชื่อเสียงเพื่อขลังหรือศักดิ์สิทธิ์โดยที่สุดแม้เพื่อได้สวรรค์เป็นเทพพวกใดพวกหนึ่ง นั่นคือศีละพะตุปาทานหรือศีละพะตาะปรามาตเหมือนกับมือเพื่อนไปรูปคลาจับต้องของสะอาดย่อมทำให้สิ่งนั้นเปรอะเพื่อนไปด้วยดังกล่าวแล้วโปรดดูพระพุทธพจน์ต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายพรหมจันท ร, ร์นี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนเพื่อให้คนบ่นเพ้อถึงเพื่ออานิสงค์คือลาบสการะและชื่อเสียงเพื่อเป็นเจ้าลัทธิหรือแก่ลัทธิ หรือเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้จักเราแต่ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อความสำรวมระวังเพื่อละคลายระดับกิเลสอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้จึงประมวลลงได้ว่าพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อลาบสักการะและชื่อเสียงมิใช่เพื่อศีลสมาธิญาทณทัศนะหรือปัญญา แต่เราประพฤติพรหมจรรนี้เพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตอันไม่กำเริบหรืออากุปปาเจโตวิมุตติซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์เป็นแก่นสารที่แท้จริงชาวพุทธที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานข้อนี้คือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเพราะการเชื่อมงคลตื่นข่าวหรือมงคลภายนอกเป็นไปเพื่อความงม ง, งายไม่เป็นไปเพื่อพัฒนาปัญญา และไม่เป็นปลายเพื่อความดับทุกข์โดยชอบ 4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาความข้อนี้บาลีพระไตรปิฎกใช้คำว่านอิโตพหิทาท้กิเนยอย่างขเวสติแปลตามตัว อ, อักษรว่าไม่แสวงหาท้ากินายบุคคลภายนอกจากศาสนานี้อธิบายว่าไม่ถือเอานักบวชนอกพุทธศาสนาเป็นท้กินายบุคคลของตน แตจะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือในฐานะสังคมสงเคราะห์น่าจะทําได้ทักคีนายบุคคลคือใครคือคนที่ควรรับของทำบุญหรือทักคินาโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่ทําบุญเพื่ออุทิศให้ผู้ตายเหตุที่ผู้รับเป็นผู้ควรแก่ของทําบุญก็เพราะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อนิพพานและปฏิบัติเหมาะสม ดังบาลีว่าสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิการทำความดีต่อนักบวชหรือศาสนิกในศาสนาอื่นทางพุทธศาสนาไม่ถือเป็นบาปหรือเสียหายท่านไม่ห้ามตรงกันข้ามท่านสนับสนุนให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งปวงดังพระพุทธพจน์ที่ว่า เมตตาสหาคเตนะเจตาสาสภาวันตังโลกังภริตวาวิหรติแปลว่ามีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงอยู่พระพุทธพจน์ทํานองนี้มีปรากฏหลายแห่งเป็นการยืนยันถึงความมีใจกว้างของพระพุทธศาสนาซึ่งมีจิตเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งปวงโดยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณหรือปริมาณ ดังพระพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งว่าเมตตันจะสัพพะโลกาสมิงมานะสัมภาวาเยอปริมานังแปลว่าทรงใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไม่มีปริมาณไปในสัตว์โลกทั้งปวงไม่มีจิตใจคับแค่หรืออสัมภาทางไม่มีจิตเป็นเวรหรืออเวรังไม่เป็นจัตรูหรืออาศัพปัตังอีกแห่งหนึ่ง มีผู้มาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงสอนประชาชนให้ให้ทานในพระองค์และสาวกของพระองค์เท่านั้นหรือไม่ควรให้ทานในบุคคลพวกอื่นหรือพระศาสดาตรัสตอบว่าผู้กล่าวเช่นนั้นชื่อว่ากล่าวตัวเราด้วยคำไม่จริงการที่บุคคลเทน้าล้างภาชนะลงในดินพร้อมได้คิดว่า ขอให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินได้ดื่มกินอาหารที่ติดน้ําล้างภาชนะนั้นเพราะยังกล่าวว่าเป็นวุ่จะกล่าวใหญถึงการให้ทานแก่มนุษย์เล่าแต่เรากล่าวว่าการให้ทานแก่ผู้มีศีลย่องมีผลมากการให้แก่ผู้ไม่มีศีลหามีผลมากฉะนั้นไม่โดยนัยะดังกล่าวมานี้พอยืนยันได้ว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้มีจิตใจคับแคบต่อคนในศาสนาอื่น ข้อที่สงห้ามก็คือการให้แก่คนนอกศาสนาในฐานะเป็นทักกินายบุคคลทำนองเดียวกับที่ทำแก่พิสู่สงส์ในพุทธศาสนาสมมติว่าชาวพุทธคนใดคนหนึ่งทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วเชิญบาทหลวงในคริสตศาสนาหรืออิหมามในศาสนาอิสลามมาสวดฉันเพลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านใหม่ อย่างนี้เรียกว่าสแสวงหาทักินายบุคคลนอกพุทธศาสนาเป็นการไม่สมควรใครรู้ใครเห็นเข้าก็ย่อมตีเตียนว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้นี้นับถือศาสนาอะไรกันแน่ดูเป็นคนไม่มีหลักอันแน่นอนสังคมสงเคราะห์เป็นสิ่งจำเป็นในสังคมมนุษย์การช่วยเหลือกันในฐานะสังคมสงเคราะห์ย่อมเป็นการสมควรแม้ในระหว่างคนต่างศาสนา พระศาสดาผู้ทรงมีพระไทยเกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวงย่อมทรงพอพระไทยชาวพุทธผู้มีการศึกษาย่อมเข้าใจในเรื่องเหล่านี้และตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระพุทธประสงค์